ฤษีผู้เป็นบุรพาจารย์อัมพัททะถึงพราหมณ์ปกครองเมืองที่พระเจ้าเะเสนทิโคสลพระราชทานให้พระเจ้าประเสนทิโคสนก็ยังไม่โปรดให้เขาเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักเวลาจะทรงปรึกษาก็ทรงปรึกษานอกพระวิสูตรทำไมเท้าเธอจึงไม่โปรดให้เขาเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักทั้งทั้งที่เขาได้รับพระราชทานภิกษาฐารอันชอบทำเล่าอัมพัททะ เธอจงดูความผิดของพราหมณ์ปกขละสาติผู้เป็นอาจารย์ของเธอว่ามีเพียงไรอัมพัทถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าประเสนที่โคศนทรงช้างทรงมา้าหรือประทับอยู่บนรถพระที่นั่งจะทรงปรึกษาราชกิจบางเรื่องกับมหาอมาตย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์แล้วเสด็จจากที่นั้นไปประทับณที่แห่งหนึ่งต่อมาสูตรหรือจันทาน พึงมายืนปรึกษาอย่างเดียวกันณที่นั้นว่าพระเจ้าประเสนทีโกรสนตรัสอย่างนี้อย่างนี้เขาเพียงพูดได้เหมือนที่พระราชาตรัสหรือปรึกษาได้เหมือนอย่างที่พระราชาทรงปรึกษาด้วยเหตุเพียงเท่านี้จะจัดว่าเขาเป็นพระราชาหรือราชาอามาดได้หรือไม่เขากราบทูลว่าไม่ได้เลยท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทะ เธอก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันพวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์คือฤาษีอัฏกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมะตักคีฤาษีอังคีรสฤาษีพารัตวาชะฤาษีวาเสธะฤาษีกัสปะฤาษีพคุ ซึ่งเป็นผู้ผูกมนบอกมนที่พวกพราหมณ์ในเวลานี้ขับตามกล่อมตามซึ่งบทมนเก่าที่ท่านขับไว้กล่อมไว้รวบรวมไว้กล่าวได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านบอกไว้เพียงคิดว่าเรากับอาจารย์เรียนมนของท่านเหล่านั้นเธอจักได้ชื่อว่าเป็นฤาษีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีเพราะเหตุเพียงเท่านั้น นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อัมพัททะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอได้ฟังพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และปาจาร์เล่ากันมาอย่างไรพวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวะฤาษีเวสามิตรฤาษียมะตักคีฤาษีอังขีรส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 ระดับพวงดอกไม้นุ่งห่มผ้าขาวบำเรออยู่ด้วยการมาคุณห้าเหมือนเธอกับอาจารย์ในเวลานี้หรือไม่เขากราบทูลว่าไม่เหมือนเลยท่านพระโคโดมฤษีเหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีที่เก็บกากแล้วมีแกงและกับหลายอย่างเหมือนเธอกับอาจารย์ในเวลานี้หรือไม่ไม่เหมือนเลยท่านพระโคโดม ฤาษี <unlucky. S 2> เหล่านั้นบำเรออยู่ด้วยนางงามผู้มีรูปร่างอ่อนช้อยตกแต่งด้วยผ้าโพกศีรษะเหมือนเธอกับอาจารย์ในเวลานี้หรือไม่ไม่เหมือนเลยท่านพระโคดมฤาษีเหล่านั้นใช้รถเทียมมาหางตัดใช้ปตักด้ามยาวแทงสัตพาณะห่อไปเหมือนเธอกับอาจารย์ในเวลานี้หรือไม่ไม่เหมือนเลยท่านพระโคดมฤาษีเหล่านั้นใช้บุรุษขัดกระบี่ รักษาเชิงเทินแห่งนครมีครูล้อมรอบลงลิ่มเหมือนเธอกับอาจารย์ในเวลานี้หรือไม่ไม่เหมือนเลยท่านพระโคโดมอัมพัทะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าเธอกับอาจารย์ไม่ใช่ฤาษีไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีอัมพัทธะผู้มีความเคลือบแคลงสงสัยในเราก็จงถามเราจะอธิบายให้ฟัง ทรงแสดงลักษณะมหาบุรุษสองประการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารทรงจงกรมอยู่แม้อัมพัทมานพก็ออกจากพระวิหารเดินจงกรมอยู่เหมือนกันขณะที่เขาเดินตามพระผู้มีพระภาคอยู่ได้สังเกตดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการโดยส่วนมากเว้นอยู่สองประการคือ พระคุยหาฐานซึ่งเร้นอยู่ในฝักกับพระชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่เชื่อสนิทใจลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดําริว่าอัมพัทธามานพนี้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเราโดยส่วนมากเว้นอยู่สองประการคือคุยหาฐานซึ่งเร้นอยู่ในฝักกับชิวหาใหญ่จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่เชื่อสนิทใจ ทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบรรดาลอิทธาพิสังขารให้เขาเห็นพระคุยหาฐานซึ่งเร้นอยู่ในฝักและทรงแล่พระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันทั้งสองข้างกลับไปมาสอดเข้าช่องพระนาศิกทั้งสองข้างกลับไปมาแผ่ปิดจนมิดมณฑลพระนร า, าธิปัฏฐามัฏฐมานพคิดว่าพระสมณะโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการครบถ้วน ไม่ใช่ไม่ครบถ้วนจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมบัตรนี้ข้าพเจ้าขอลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอเธอจงกําหนดเวลาที่สมควรหน้าบัตรนี้เถิดอัมพัทถะทีนั้นอัมพัทตมานพได้ขึ้นรถเทียมม้าจากไป อัมพัทมานพกลับไปแรงงานพรามโปกระสาติสมัยนั้นพรามโปกระสาติลุกออกมานั่งคอยอัมพัทมานพอยู่ณอารามของตนพร้อมกับคณะพรามหมู่ใหญ่ฝ่ายอัมพัทธมานพขับยานพาณะไปถึงอารามของตนจนสุดทางที่ยานพาณะจะเข้าไปได้จึงลงเดินเข้าไปหาพรามโปกระสาติกราบแล้วนั่งอยู่ณที่สมควร รามโปคะสาติถามอัมพัมานพว่าพ่ออัมพัทเถอเธอได้เห็นท่านพระโคโดมพระองค์นั้นแล้วหรือเขาตอบว่าได้เห็นแล้วขอรับกิติศัพท์ของท่านพระโคโดมที่กระจรไปเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยหรื อ, รอท่านพระโคโดมทรงเป็นเช่นนั้นจริง <า S 1> ไม่เป็นอย่างอื่นเลยหรือขอรับกิติศัพท์ของท่านพระโคดมที่กระจรไปเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลย ท่านพระโคโดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงไม่เป็นอย่างอื่นเลยทั้งยังทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษสาประการครบถ้วนไม่ใช่ไม่ครบถ้วนเธอได้สนทนากับพระสมณะโคดมบ้างหรือไม่ได้สนทนาขอรับพราหมณ์โคราสาติถามว่าเธอได้สนทนากับพระสมณะโคดมว่าอย่างไรบ้างอัมพัทมานบจึงได้เล่าเรื่องเท่าที่ตนสนทนากับพระผู้มีพระภาค ให้พราหมโภคาะสาติทราบทุกประการเมื่ออัมพัทมานบเล่าให้ฟังอย่างนี้พราหมโปรการะสาติกล่าวว่าโธเอย๋ยพ่อบัณฑิตผู้ผหูสูตรทรงไตรเพศของเราหลังจากตายแล้วคนจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาดนรกก็เพราะคนผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้เธอพูดกระทบท่านพระโคดมอย่างนี้อย่างนี้ แต่กลับถูกท่านพระโคดมยกเอาพวกเราเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างนี้โท่เอย๋ยพ่อบัณฑิตผู้ผหูสูรทรงไตรเพศของเราหลังจากตายแล้วคนจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกก็เพราะคนผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้โกรธเคืองไม่พอใจจึงเตะอัมพัทมานบจนล้มกลิ้งทั้งอยากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในเวลานั้นทีเดียว พระสาติเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค พ, พราหมเหล่านั้นได้กล่าวกับพราหมโปรคราสาติว่าวันนี้เกินเวลาที่จะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคโดมเสร็แล้วรอพรุ่งนี้ค่อยไปเถิดท่านโปรคราสาติต่อมาพราหมโปรคราสาติสั่งให้จัดเตรียมของขบฉันอันประนีตไว้ในนิเวศของตนแล้วขึ้นยานพานะิชเดินทางออกจากเมืองอุ ก, กัทะเมื่ อ, อยังตามคบเพลิงอยู่ ขับยานพานะตรงไปยังราวป่าอิจฉานังคละวันเมื่อเข้าไปจนสุดทางยานพานะจึงลงเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอคุ้นเคยแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรพราหมณโปคะสาตินั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามว่าท่านพระโคโดมอัมพัฒมานกสิทธิของข้าพเจ้าได้มาที่นี่หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเขามาที่นี่พรามเขาทูลถามว่าพระองค์ได้สนทนากับเขาบ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราได้สนทนากับเขาพรามเขาทูลถามว่าพระองค์ได้สนทนากับเขาว่าอย่างไรบ้างพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเล่าเรื่องเท่าที่พระองค์ทรงสนทนากับอัมพัทธมานพให้พรามโป ร, ระสาติทราบทุกประการเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ พรามโปคะสาติด้ียกกราบทูลว่าท่านพระโคโดมอัมพัฒมานพเป็นคนโง่โปรดยกโทษให้เขาเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอให้อัมพัฒมานพจงมีความสุขเถิดพรามครั้งนั้นพรามโปคะสาติได้สังเกตดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรากายของพระผู้มีพระภาคได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการโดยส่วนมาก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 ไม่ใช่ไม่ครบถ้วนจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคโดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารของข้าพเจ้าในวันนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุสเนีทีนั้นพราหมณ์โปรคระสาติทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงกราบทูลพัะตากานว่าท่านพระโคโดมได้เวลาแล้ว พทหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพรามโปครส า, าติพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้พรามโปคราสาติได้นำของขบฉันอันประนีตประเคนพระผู้มีพระภาคให้ทรงอิ่ม้ํำด้วยตนเองและพวกมานก็ได้ประเคนภิกษุสงฆ์เช่นกัน เมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตพราหมณโปคะรสาติจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ํากว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอนุ ป, ปุปพีกถาคือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษความต่ํำซามความเศร้าหมองแห่งกามและอนิสงส์ในการออกบวชแก่พราหมณโปคะรสาติซึ่งนั่งอยู่ณที่สมควร เมื่อทรงทราบว่าพรามปกราสาติมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุ ก, กังศิกะเทศนาคือทุกสมุทัยนิโรธมักถ้า ม, มาจากสุอันไร้ทุลีคือกิเลสปราศจากมุนทินเกิดขึ้นแก่พรามปกราสาติบนที่นั่งนั่นเองว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีพรามโปคราสาติ ประกาศตนเป็นอุบาสกลำดับนั้นพรามโภคกราสาติเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมย่างลงสู่ธรรมหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความกล้าวกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระาศาสดาเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 จากไหวลุกรับถวายอาสนะและน้ำจากทาจิตให้เลื่อมใสข้อนั้นจากเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขาตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามท่านกล่าวดีแล้วอัมพัทตสูตที่สจบ โซนทันทสูตรว่าด้วยพรามชื่อโซนทันทะเรื่องพรามและขหบดีชาวกรุงจำปาข้าวพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปในแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุ ส, สงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้0รอรูปเสด็จถึงกรุงจำปาประทับอยู่ใกล้สะโบครณีคักคร า, าสมัยนั้น พรามโสนธันทะปกครองกรุงจำปาซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยส่วนพิเศษพรามและขหบดีชาวกรุงจำปาได้ฟังข่าวว่าท่านพระสมณโคโดมเป็นสักยะปุตเสด็จออกพนนจากสักยะตรกูล เสด็จจาฤกอยู่ในแคว้นอังคะพร้อมด้วยพิสุสงมู่ใหญ่ประมาณ5้าร้อยรูปเสด็จถึงกรุงจำปาโดยลำดับประทับอยู่ใกล้สระบก ค, ครณีคักคราในกรุงจำปาท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะ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 ท่านขอรับพระสมณาโคโดมเป็นศักยะบุตรเสด็จออกผนวจากศักยะตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นอังคะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปเสด็จถึงกรุงจำปาโดยลำดับประทับอยู่ใกล้สะโบครณีคักคราในกรุงจำปาท่านพระโคโดมนั้นมีกิติศัพท์อันงามกระจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหรันต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 ท่านจงไปหาพวกพรามและข้าบดีชาวกรุงจำปาครั้นแล้วจงบอกอย่างนี้ว่าท่านขอรับพรามโสนทันทะพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนพรามโสนทันทะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยอมาที่ปรึกษารับคำของพรามโสนทันทะแล้วเข้าไปหาพวกพรามและข้าบดีชาวกรุงจำปาครั้นแล้วก็บอกว่าท่านขอรับ พรามโสนธันทะพูดว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงรอก่อนพรามโสนธันทะจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมด้วย hmm? Hmm? ความเป็นผู้ดีของพรามโสนธันทะเวลานั้นพรามต่างถิ่นห้าร้อยคน มีธุระเดินทางมาพักอยู่ในครุงจำปาพอได้ฟังว่าพราหมณทันทะจะเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมด้วยจึงพากันเข้าไปหาพราหมณทันทะแล้วถามว่าท่านโสนทันทะจะเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมจริงหรือพราหมณทันทะตอบว่าใช่เราคิดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมพวกพราหมณ์ห้ามว่าท่านโสนทันทะ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 ท่านโสณทันทะเป็นผู้มีชาติกําเนิดดีทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาเธอปฏิสนธิบริสุทธิดีตลอดชั่วเจ็ดบรรพบรุษไม่มีใครจะคัดค้านตําหนิดได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลด้วยเหตุนี้ท่านโสณทันทะจึงไม่ควรไปเข้าเฝ้ า, พ ร, าพระสมณโคดมพระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่านโสณทันทะอันหนึ่งท่านโสณทันทะเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากและถึงเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันทุศาสตร์เกตตภาษาสตร์อักษ ร, รศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยยกรชำนาญโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักดุดพรมมีกายดุดพรม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 ท่านโสนทันทะเป็นคนแก่คนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากส่วนพระสมณโคโดมเป็นคนหนุ่มบัวแต่ยังหนุ่มท่านโสนทันทะเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตและพรามปกคระสาติสักระเคารพนับถือบูชานอบน้อมท่านโสนทันทะปกครองกรุงจำปา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 ทรงสละทรัพย์สินเงินทองมากมายทั้งที่ฝังอยู่ในพื้นดินและในอากาศผนวดแล้วพระสมณะโคดมกำลังหนุ่มแน่นมีพระเคสาดําสนิททรงพระเจริญอยู่ในปฐมวัยเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรปชิตเมื่อพระชนกพระชนนีไม่ทรงปรารถนาจะให้เสด็จออกผนวดมีน้ำพระเนรชุช่มพระพักทรงกันแสงอยู่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 ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเจ้าลัติอื่นๆไม่ทรงรุ่งเรืองพระยศเหมือนพวกสมณะพราหมณ์ที่รุ่งเรืองยศที่แท้ทรงรุ่งเรืองพระยศเพระทรงมีวิชาและจารณะอันยอดเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตพร้อมทั้งพระราชโอรสพระราชมเหสีข้าราชบริพารและหมูอํามาตย์ต่างมอบชีวิตถึงพระสมณะโคดมเป็นสารณะพระเจ้าประเซนที่โกรธสนพร้อมทั้งพระราชโอรส พระมเหสีขราชบริพารและหมูอมาตตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะพรามโประสาติพร้อมทั้งบุตรภันยาขราชการและหมูอมาตตต่างมอบชีวิตถึงพระสมณโคดมเป็นสารณะพระสมณโคดมทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าพิมพิสารจอมทัมคตทรงสักดระเคารพนับถือบูชานอบน้อม ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าประเสริฐที่โคศลทรงสักระเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงเป็นผู้ที่พราม์ปกครองสติสักระเคารพนับถือบูชานอบน้อมและอื่นๆพระสมณโคโดมเสด็จถึงกรุงจำปาโดยลําดับประทับอยู่ณริมสะโบกขรณีค้าคราในกรุงจำปาท่านทั้งหลายสมณพราหมณ์ที่มาสู่เขตหมู่บ้านของเรา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 ถึงหากท่านพระโคดมพระองค์นั้นจะประทับอยู่ไกลาจากที่นี่ตั้งร้อยโยต์ก็สมควรอยู่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะไปเข้าเฝ้าแม้จะต้องขนสเสบียงไปก็ควรพรามโสนัทันทะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งหมดจะไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมด้วยกัน ความคิดคำนึงของพราหมณธันทะต่อมาพราหมณธันทะพร้อมด้วยคณะพรามหมูใหญ่เข้าไปถึงสะโบครณีคักคราเมื่อผ่านราวป่าไปเขาเกิดความคิดคำนึงว่าถ้าเราจะถามปัญหากับพระสมณะโคดมหากพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพราหมณ์ปัญหาข้อ น, นี้ท่านไม่ควรถามอย่างนี้ที่ถูกควรจะถามอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่า พราหมณธันทะโง่เขลาไม่อาจแยกแยะตั้งคำถามกับพระสมณโคดมได้ผู้ถูกบริษัทดูมินจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภขสมบัติเพราะมียศเราจึงมีโภขสมบัติถ้าพระสมณโคดมจะถามปัญหากับเราและเราตอบไม่ถูกพระทัยของพระสมณโคดมหากพระสมณะโคดมจะตรัสอย่างนี้ว่าพราหมณ์ปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรตอบอย่างนี้ ที่ถูกควรตอบอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเห็นนั้นว่าพราหมณโส น, นทันทะโง่เขลาไม่อาจต่อปัญหาให้ถูกพระไทยของพระสมณโคโดมได้ผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภคสมบัติเพราะมียศเราจึงมีโภคสมบัติอันหนึ่งเราเข้ามาใกล้ถึงเพียงนี้แล้วยังไม่ทันได้เฝ้าเลยแต่คิดจะกลับบริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่า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 หากพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพรามปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรถามอย่างนี้ที่ถูกควรจะถามอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเหตุนั้นว่าพรามโสนทันทะโง่เขลาไม่อาจแยกแยะตั้งคำถามกับพระสมณโคดมได้ผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะพึงเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมพภคสมบัติเพราะมียศเราจึงมีโภคสมบัติ ถ้าพระสมณโคโดมจะถามปัญหากับเราและเราตอบไม่ถูกพระไทยของพระสมณโคโดมหากพระสมณะโคโดมจะตรัสอย่างนี้ว่าพราหมณ์ปัญหาข้อนี้ท่านมีควรตอบอย่างนี้ที่ถูกควรตอบอย่างนี้บริษัทก็จะดูหมิ่นเราเพราะเห็นนั้นว่าพราหมณโสนทันทะงูเ้เคลาไม่อาจตอบปัญหาให้ถูกพระไทยของพระสมณโคโดมได้ผู้ถูกบริษัทดูหมิ่นจะพึงเสื่อมยศ ผู้เสื่อมยศก็จะเสื่อมโภคสมบัติเพราะมียศเราจึงมีโภคสมบัติโอ๋นอขอให้พระสมณโคดมตรถามปัญหากับเราเรื่องไตรเพศอันเป็นความรู้ของอาจารย์เราเราจะตอบให้ถูกพระไทยของพระสมณโคดมได้ ข้อบัญญัติว่าเป็นพรามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของเขาด้วยพระไทยทรงพระดำริว่าพรามโสณทันทะนี้กำลังอึดอัดใจเราควรถามปัญหากับเขาในเรื่องไตรเพศอันเป็นความรู้ของอาจารย์เขาจึงได้ตรัสถามเขาว่าพรามพวกพรามจะเรียกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเท่าไรว่าเป็นพราม และเมื่อเขาจะพูดว่าเราเป็นพราหมณ์ก็พูดได้โดยชอบทั้งไม่เป็นผู้พูดเท็จ ด, ด้วยพราหมณโสนทันทะคิดว่าเราปรารถนามุ่งหวังตั้งใจต้องการว่าโอ๋หนอขอให้พระสมณะโคดมตรัสถามปัญหากับเราในเรื่องไตรเพศอันเป็นความรู้ของอาจารย์เราเราจะตอบให้ถูกพระไทยของพระสมณะโคดมได้พเพอิญที่พระสมณะโคดม